สิกขาบทวิพัง952คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกชณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกชณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกชณีในความหมายนี้คําว่าแก่ภิกชณีคือภิกชณีรูปอื่นที่ชื่อว่าที่พัก ถ้าผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงที่พักที่มีประตูคำว่าให้คือให้ด้วยตนเองคำว่าโกรธไม่พอใจคือไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคำว่าฉุดลากความว่าจับในห้องแล้วฉุดลากออกมาหน้าห้องต้องอบัดปาจิตตีจับที่หน้าห้องแล้วฉุดลากออกข้างนอกต้องอบัดปาจิตตี ภิกษุณีชุดลากพ้นประตูหลายประตูด้วยความพยายามครั้งเดียวต้องอบัปตาจิตีคำว่าให้ชุดลากคือภิกษุณีสั่งผู้อื่นต้องอบัปตาจิตีผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่ชุดออกไปพ้นหลายประตูภิกษุณีผู้สั่งต้องอบัปตาจิตี